วันนี้ก็ได้มาได้มาได้มาฉันพัทหาแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ได้จะได้มีการแสดงธรรมอันจะเป็นประโยชน์ที่ผู้สนใจจะได้สถับรับฟังธรรมะ ก, กันการฟังธรรมก็เป็นประโยชน์ อย่างที่ท่านแสดงไว้ในอสวาานาเนี่ยบอว่ากาเลนะธรรมะสวาังเอตมังคะลุตมังคือการการหรือว่าเวลาขณะนีที่ได้ฟังธรรมหรือว่าสนทนาธรรมธรรมะสาวกฉาหรือว่าหรือว่าธรรมเทศนานี่ก็เป็นมงคลธรรมเทศนาก็คือการเทศแสดงธรรมกล่าวธรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วก็ธรรมะสาวกชา้าก็เวลาเราเราสนทนากันก็จะเกิดประโยชน์เกิดความรู้นําไปไปปฏิบัติไปแก้ปัญหาเพราะปัญหามันเยอะปัญหานี่เยอะจริงๆแต่ว่าสิ่งจะแก้ปัญหาไม่ค่อยมีเหมือนมีของซื้อเยอะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรามาเจริญปัญญากันจนเกิดปัญญาที่งอกงาม อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาเหมือนเราได้ใช้เงินทองไปซื้อสิ่งของที่ที่ถูกใจเฉะนั้นถ้าเราเจริญปัญญามีปัญญาติดตัวแล้วเราก็จะได้เอาไปแก้ปัญหาปัญหาทั้งหลายก็จะตกไปที่จะทำให้เสียใจเราก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกจนถึงว่าทำให้เราค้านจากการยึดมั่นถือมั่นเราก็ รู้แจ้งในนิพพานพ้นการเียนวายตายเกิด mm. ก็หรือว่าพ้นจากที่คุ้มขังถารวัคือการหลงตัวตนแล้วก็ทำให้เี็นวายตายเกิดไม่จบสิน้นนี่คือธรรมะคือปรรัญญานี่สิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราได้ปฏิบัติพิจารณาเห็นความจริงอย่างที่เราได้ได้ฟังธรรมการฟังธรรมนั้น ท่นแสดงมีอา น, นิสงส์ห้าอย่างคือหนึ่งจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังหรือสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็จะได้ฟังสิ่งฟังแล้วไม่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนขึ้นเราก็จะหายสงสัยทําความเห็นให้ถูกต้องจิตผ่องใสเนี่ยคือนี่คืออา น, นิสงส์การฟังธรรมนั้นอานิสงส์ก็มีแต่ดีๆแต่เราจะมีเวลาไม่สนใจไหมรู้คุณค่าของสติปัญญาธรรมะไหม อย่างที่ว่าของมันเยอะเราก็ชอบแต่ไม่มีกานซื้อก็เดินชมไปชมมาไม่ได้สมใจท่านท่านปัญหาในโลกมันเยอะแต่ไม่มีปัญญาแก้ก็พบทางตันทางตันมันไม่ใช่ตันนะแต่มีทางออกแต่มันออกไม่ดีอันน้มีทางออกกันก็คือธรรมะต้องสนใจปฏิบัติมาดูตัวตนเราดูกายดูจิต มีกายมีจิตก็ไม่รู้จกจิตจับ ก, กายมีปัญหาก็แก้ไม่ได้เราเราก็ต้องมาเห็นจุดจุดอ่อนจุดอับของเรานนั้ถ้าเราแก้ปัญหาได้คงสบายปัญหาทั้งหลายตกไปหลุดไปร่วงไปมีความสุขเนี่จึงว่าสติปัญญาธรรมะนั้นสําคัญกว่าทรัพย์สบมบัติเรามีเงินทองเข้าของมีอะไรก็ใช้ไปใช้ไปมี มาประดับตัวเราก็ว่าดีแต่มันก็ไม่ดีอะไรมากมันมีแต่ปัญหาคือปัญหาหามากกว่าจะได้เอามาซื้อเอามาประดับไปแต่งอวดกันนิดหน่อยแล้วก็บางทีก็โดนเขามาปนมาจี้แล้วมันความหมายมันแค่นิดเดียวให้ว่าเราอยากอวดอยากโชว์แต่แต่โทษของมันเยอะมากกว่าจะได้มาที่ไปซื้อไปหาไปผ่อนแล้มันถึงว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยจะวางไม่ค่อยไปเสื้ออะไรไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องไปลงอะไรไม่ต้องไปอยากอะไรก็ข้อนี้ก็เกิดทางออกที่สบายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องยุ่งไม่ต้องหลงเกิดเป็นอิสระเกิดเป็นใหญ่ในความไม่ถูกโลกครอบงําไม่ถูกความอยากครอบงําคราวนี้อะไรมันจะยากก็ง่ายที่เราทุกวันนี้ถ้าเราที่เรามุ่งไปหาไปกันเราก็มีความ เรามีโครงการไว้แล้วโครงการจ่ายก็เลยเป็นเลยมันมีโครงการหากนรใหที่มันจะไม่ต้องลำบากขนาดนั้ น, นก็เลยลาบากเพราะเราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่ได้เซฟเราไม่ได้เห็นโทษเราไม่ได้ปล่อยวางเราไม่ได้ปฏิเสธมันได้ฉะนั้นปฏิเสธมันให้ได้มากขึ้นปฏิเสธแล้วเราสบายนะไม่ปฏิเสธปฏิเสธแล้วเราวุ่นวายอันนี้ก็ต้องมาปฏิบัติทาความเข้าใจเรื่องธรรมะ ก็ไม่หลงอันนี้เราก็ต้องมาฟังมาอะไรกันให้เกิดความเข้าใจก็นั่นแหละธรรมะก็เป็นสิ่งสำคัญจะเกินติดตัวใจเราให้เป็นดำเนินชีวิตในในสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์มันก็ประโยชน์เนี่ยพุทธเจ้าพุทโคงต้องแสดงไว้เอาง่ายๆว่าประโยชน์สามอย่าง สรุปเวลาว่าเราทําความเข้าใจประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์สูงสุดประโยชน์ชาตินี้ก็คือเนี่ยธรรมากินเราทํางานทําการเนี่ยมีอาชีพมีอะไรเป็นพนัก ง, งานเป็นผู้จัดการเป็นอะไรเป็นทําธุรกิจอะไรนี่เราประโยชน์ชาตินี้ที่ถ้าทําให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้มีเงินมีทองจ่ายใช้สอยประโยชน์ชาติหน้าเราเราไม่ได้อยู่กันชาติเดียว เราต้องมีความตายหรือเบื้องหน้าเมือ่อเมื่อเราต้องตายจะเจออะไรก็รถือหลักเราถือว่าหลักเจอบุญเจอบาปบุญบาปทำแค่ไหนอะไรมากกว่ากันเราก็ต้องมาใจตองว่าเราพยายามทำดีเว้นชั่วในหลักศาสนาทำดีเว้นชั่วทำจิตส่องใสเนี่ยหลักศาสนาเราอันนี้มันก็ต้องมีความเจตนาตั้งใจอย่างแน่แน่ เมนเราเรียนก็ต้องเรียนกันจนเาก็จะเรียนจบกันการทำดีก็ต้องพยายามทำพยายามเจตนามุ่งมั่นอันไหนศีลรักษาได้แค่ไหนเห็นความสมคัญแค่ไหนอันไหนทานทำไปยังไงจะได้ไหมเห็นประโยชน์ไหมการภาวนารู้มีสติบัญญาไม่ให้หลงแบบนที่ว่ามันมันมีไหมเราก็มาเช็คฐานทานฐานศีลฐานสติปัญญาการภาวนาปฏิบัติ เราก็มาดูพวกนี้่ถ้ามันมีหลักมันมีหลักมันแน่นหนามันไม่หวั่นไหวมันคุ้มครองเราได้เนี่ยคือมีธรรมะและ้วมีหลักประกันแล้วสบายแล้วยังไงก็ได้ต่อต้านได้อะไรกันไม่ไม่น้อมไปหลงไปเพราะเรามีอะไรดีแล้วคือทานคือศีลคือภาวนาเนี่ยอันนี้คือคือว่ามันเป็นหลักเป็นสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ภายหน้าที่ว่าคืออย่างที่ว่าประโยชน์ชาตินี้ทำมาหากิน อยันหาเก็บรักษาดีคก็ควรดีใช้ใจให้สมตน้นนี่เรียกว่าเดี๋ยวชาตินี้ประโยวชนะคุณต้องทําบุญทำทานเนี่ยเมืาอไรยังไม่ถึงนิพพานเราก็จะได้เราก็จะได้ไปเกิดดีเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทนวดาเกิดเป็นพมเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าความดีก็มีมีทุกอย่างให้ทานก็ความดีรักษาศีลก็ความดีทําสมาธิความดีเจริญปัญญาความดีแต่เมื่อยังไม่หมดกิเลสเราก็ เราก็จะได้ไปเกิดดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือถ้าได้สมาธิก็เป็นพรมเนี่ยนี่คือว่าประโยชน์ภายหนแล้วประโยชน์สูงสุดอะไรประโยชน์สูงสุดก็คือปฏิบัติกรรมฐานเจริญนิพพานารู้แจ้งแทงตลอดรู้ลู่ถัดลู่ขันรู้ตัวลู่ตนลู่หลงรู้ละลู่วางรู้จนสาเร็จเสร็จสิ้นเก็บกวาดจัดชารางกันให้หมดไปเลยอาสวะกีเลศ วิชาความหลงเนี่ยหลงตัวหลงตนหลงเขาหลงเราหลงแล้วหลงอีกหลงไปหลงมาหลงหน้าหลงหลังหลงจนไม่มีที่ไปมีแต่หลงอย่างเดียวมันก็เลยแย่เนี่ยถ้าเรามาทําอย่างนี้เขาเรียกว่ประโยชน์สูงสุดปรมัตดนั่นให้เรามีประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์ชาตินี้ทำมาหากินประโยชน์ชาติหน้าทำพุทําทานประโยชน์สูงสุดคือละกิเลสให้มันได้ประโยชน์ทั้งสามเนี่ยเราจะทำแต่ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้า แต่ประโยชน์สูงสุดทั้งๆ ท, ท, ที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้เราแก้ปัญหาได้เราเราไม่ได้สนใจทํากันเลยเรื่องที่มาปฏิบัติจิตปฏิบัติใจปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งแทงตลอดทําให้แจ้งถึงนิพพานเนี่ยอันก็นี่แหละพูดย่อๆให้ฟังเผื่อว่ากลางวันไม่ได้มาฟังกันก็คือประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์สูงสุดให้อยู่ในประโยชน์เหล่านี้กันก็จะถือว่า เราเป็นชาวพุทธที่ได้ประโยชน์ในการถือศาสนาในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำให้ถึงทำประโยชน์ทั้งสามให้สมบูรณ์เราเราทำงานก็อยากมีเงินเดือนทั้งสูงอยากมีอะไรที่มันยิ่งยิ่งไปนั้นประโยชน์สูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดใช่ไหใช้ศีลหมดเมีนว่าใตายเกิด ทุกทั้งหลายไม่ไม่มีมาแพลี่ยผ่านแล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วจากสิ่งที่ต้องไปหลงมันหรือมันจะมาให้เราหลงก็ไม่ได้เรายังเราไม่หลงก็หมดเรื่องหมดลาหมดตัวหมดตนเขาอะไรมันจะม่ให้เราหลงมันอีกถ้าไม่หลงตนได้ไม่หลงสักอย่างแต่มาให้ให้ไม่หลงตนกันเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินทั้งๆที่ตนก็ไม่มีตามหลักพระเจ้าตนเนี่ยอยู่โดยสมมุตินะ เราเอาสมมติว่าเป็นจริงเกินไปจนจ น, จนทําทําดีไม่ได้ละวางไม่ได้นิพานไม่ได้ตรงเนี้ยมันต้องมาพิจารณาคือทําความเข้าใจเรื่องตัวตนนี่มันเกิดเกิดมาโดยสมมุติสิ่งที่สมมุติก็คือว่าเรายังรู้กว่ามันไม่ได้นะรู้ให้มันได้โดยไม่ต้องไปสมมุติมันอีกนี่ยมันก็จบที่จบมันอยู่ตรงนี้แต่เราไ ป, ไปหาแต่ที่เกิดไงเลยไม่จบสักทีก็เลยไว้้มันจบตรงไหน มันไม่มันจบไม่มันจบไม่ลงเพราะมันหลงนั่นแหละถ้าไม่หลงได้จบเลยไม่ห่วงใครหรอกไม่มีใครห่วงใครนั่นแหละสบายแล้วปรมังสุขขังเนี่ยก็เราก็ดูจะกล่าวให้ฟังประโยชน์ชา น, นี้ประโยชน์ชาห น, น้าประโยชน์สูงสุดเอาไปพิจารณาปฏิบัติกันให้ได้ประโยชน์เอาไปที่จะให้พรกันตั้งใจแล้พร ว่า อาปุราปาริปุเรสะกะลังอิวะเมวิโตดินังเปตานังอ um ุปกะปติจิตตังวิจ oh, oh, yeah. ิตตังตุมังคิบะเมวัจมิชนโตสัมเวกุริณสัง a ปะจันโนปนารโสยะธรรมนิโชติรสโสยะธรรมสัพพิติโยวิวัสสันโตสัพพะราาย สุขีทิคายุกวปวะิววันะสิลสานิจังอุทาปัญญาวนจตารวธรรมวัฒนตอายุอันโอสุขังภารังอายุโนภาโดทีโลนโตปิปโตสุขัสสนาเมทาวีสุขังโสติการติยุนัตวามรังวันังสุขังจะปฏิปั นะโนอีขายุยาสวโหเตยัตยตุปปัจจิตีเทวัตุสะพมังการังสัพเนวตาสัพพมุตทานุภาเวนาสัดาโสดที่ภวันตุเตภาวัตุสะพมังการังราคันตุสัพเนวตาสัพพะนุภาเวนาสัดาโสดที่ภวันตุเต ภาวะตุสาพมังคาราคันตุสาพเดมตาสัมะสังคานุภาเวนาสันดาโสทิภวันตุเต